ที่แล้วมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาต่างคนต่างก็สมัครใจเพราะเห็นว่าเป็นทางพ้นทุกข์จึงได้เข้ามารวมกันอยู่ในวัดวาศาสนานี้ เมื่อเรามีจุดประสงค์อย่างนี้นะก็ต้องคอยระมัดระวังจิตใจตัวเองให้มันตั้งมั่นอยู่ในสัจจะความจริงใจที่เราได้ตั้งไว้เพราะว่าชีวิตของปุทชนเนี่ยมันมีมารคือกิเลสคอยขัดขวางการดำเนินข้อวัดปฏิบัติ ไม่ใช่ว่ามันทำไปอย่างราบเรื่อนได้ทีเดียวก็เพราะมีมารคือกิเลสนี่แหละเป็นสิ่งที่คุกคลีชีวิตนี้มาในสงสารมันนับชาติไม่ถ้วนชื่อใ้เกิดมีพุทธศาสนานี่ขึ้นมานี่แต่พระพุทธเจ้าเราองค์เดียวเท่านั้น ที่รู้อุาวิธีขจัดกิเลสมาประธรรมออกจา ก, กจิตใจของคนเราได้นอกจากนั้นแล้วก็มีสาวกพูดบรรลุมรรตามพระองค์นั่นเป็นผู้ช่วยเหลือพระองค์แนะหนทางออกจากทุกข์ให้คนทั้งหลายนอกจากสาวกของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่มีใครในโลกนี้นะที่จะมาชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ได้โดยถูกต้องนะไม่มีดังนั้นการที่เราได้มีบุญวาสนาบารมีหนูนส่งให้เรามีศรัทธาเลื่อมใสในแนวทางที่พระพุทธองค์ทร ง, งแสดงไว้ อย่างนี้แล้วนะเราต้องพยายามระมัดระวังอย่าให้มานคือความชั่วมันมาขัดขวางอย่าไปหลงคนของมานคือความชั่วที่มันมาหลอกล่อจิตใจให้ค่อยเผลอไปจากหนทางที่ถูกต้องเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามานมันหลอกลวง รู้ได้โดยที่ต่างทนต้องมาดูจิตตัวเองเมื่อจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วนั่นแหละมันถูกมารมันหลอกลวงเอามันผักดันเอาเราต้องดูจิตนั้นอย่าไปดูอย่างอื่นอยากรู้ว่ามารคือกิเลสมันขัดขวางทางเดินของตนอย่างไร นี่ถ้าไปดูที่อื่นไปดูอย่างอื่นนั้นไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้มานไม่เห็นตัวมานต้องให้เข้าใจกิเลสทามานมานคือความรักความใคร่ความโกรธความมัยาบาทอย่างนี้นะความหลงความเมามันมีอยู่ที่ไหนสัก ก็มีอยู่ที่จิตดวงนี้เองไม่ได้มีอยู่ที่อื่นเลยจิตตวงนี้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาจิตจิตตวงนี้มันไม่ชอบกับสิ่งใดขึ้นมามันก็โกรธอย่างนี้จิตตวงนี้เมื่อมันไม่ฉลาดมันก็หลงคนของมารมานมันแสดงมายาสาไถยหลอกลวงให้เกิดความเห็นผิด ก็เห็นผิดไปตามมานันเห็นของไม่สวยไม่งามก็เห็นว่าเป็นของสวยของงามไปของไม่เที่ยงไม่อย่งยืนก็เห็นว่าเป็นของเที่ยงอย่างยืนไปเยี่ยนี่เนะี่ยความรักความใคร่นี่เป็นสิ่งที่ควรละกับส่งเสริมความรักใครมีกําลังแรงขึ้นไปเรื่อยๆนี่อันนี้เราเรียกว่าหลงเข้าใจผิดวิปรารถไปจาก ความเป็นจริงดังนั้นเราต้องเรียนรู้รักตรแหนงความหลงมันเป็นอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามระงับความไม่รู้เหล่านี้ให้ออกไปจากจิตใจให้ได้โดยเพ่งดูสภาพความเป็นจริงของสังขารร่างกายที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่ ความจริงมันเป็นอย่างไรมันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากอะไระเพราะมันมีอยู่มันเห็นกันอยู่มันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาความไม่เที่ยงมันก็แสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเลยความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากนี่มันก็แสดงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ ไม่เป็นไปตามใจหวังอันนี้มันก็แสดงให้เห็นอยู่เรื่อยมาถ้ามันบังคับได้แล้วมันจะเจ็บใครได้ป่วยอย่างไงแล้วร่างกายอันนี้นะมันก็ไม่เจ็บไม่ป่วยแนละ้วมันจะไปแก่ชราผู้ลภาพอย่างไงใครจะอยากเป็นนะเป็นอย่างนี้แต่นั่นแหละมันบังคับไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาของมัน นี่ความจริงของสังขารนมันแสดงให้เห็นให้รู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แต่แล้วคนสนมากประมาทปล่อยผิดของตนให้คิดส่งสายออกไปนูน้นออกไปข้างนอกนูน่นไปชื่นรมยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆในโลกแต่อยู่โน่น ไอ้แล้วร่างกายสังขานมันวิบาทแปรฟวนอยู่นี่ไม่มองดูเลยเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงหลงถึงเมาน่งโบราณท่านกล่าวไ ว, ว้ว่าหลงเมียลืมแม่เหมืนว่าหลงกายก็ลืมแกนี่อันนี้มันก็เป็นความจริงเลยอันผู้ผไดหลงเมียมากๆก้าไปแล้ว ธรรมดาไอ้ลูกสภพยกับแม่ญ่าเนะ่มันไม่ถูกกันไอ้เมียก็สอเลาะสามีให้ตีตวนห่างออกจากแม่ไอ้สามีไม่รู้คนมายาของเมียก็ไปตามเมียทิ้งแม่อย่างนี้ก็มีอยู่ทั่มไปหลรงร่างกายสังขารอันนี้คึกว่าตนเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่อยไป เพราะว่าร่างกายนี้มันทุดโทรมลงเอาตกแป่งมันเข้าไปเอาอะไรต่ออะไรมาประดับประดามันเข้าไปให้มันหนุ่มมันสาวอยู่เรื่อยไปเนี่ยทันทีว่าหลงกายลืมแก่แมนจะประดับประดาอย่างไงก็มันก็ไม่ไหวหรอกเมื่อบริษัททรุดโทรมลงไปแล้วปกปิดไม่อยู่ผมมันหงอกมาแล้วเอาสีมาย้อม ย้อมมันก็เป็นไปได้โวคขาวเท่านั้นแหละนอ น, น่ยมันก็ขาวคืนของเก่าก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละคนเราที่มันไม่รู้แจ้งความเป็นจริงของอัตภาพร่างกายอันนี้ก็เข้า่าปล่อยจิตใจของตนให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกบางคนก็อ้างว่า โอ้ยเป็นฆราวาสเนี่ยมันมีการมีงานมากมายต้องคิดอ่านการงานสารพัดไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาพุทโธธรรมโมสังโกอะไรเลยอ็มักจะอ้างอย่างนั้นแหละส่วนมากนะไอ้ข้ออ้างอย่างนั้นน่ะมันเป็นการแก้ตัวต่างหากหรอกความจริงนะคนเราไม่ใช่ว่าจะไปคิดอ่านการงานอยู่ตลอดเวลาได้ ถ้าใครไปคิดอย่างนั้นมันก็เป็นโลกประสาตตายกันเลยไม่เหลือแล้วมันก็คิดกันเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นคิดอ่านการงานต่างๆก็ดีแต่ขั้นพอเลิกจากการคิดอ่านการงานแล้ววันนี้มันก็เพลินไปในเรื่องสนุกสนานไปเสียไอ้เรื่องจะน้อมจิตคิดเข้ามาสู่ธรรมะ หรือธรรมชาติของร่างกายทังขานที่มันเป็นอยู่อย่างไรนี่ไม่ค่อยน้อมเข้ามาเลยส่วนมากนะนี่ถ้าปล่อยจิตให้เพลินไปตามกระแสของโลกเพราะโลกนี่มันวิจิตพิสดารมนุษย์เป็นผู้ปรุงเว็นผู้แต่งขึ้นมนุษย์ผู้เพลิดเพลินในกามคุณเหมือนกันนี่แหละตกแต่งประดิษฐ์ประดอยขึ้นมา หลอกตาลวงใจของคนให้หลงให้เมาไปอยู่ในโลกนี้คล้ายๆกับว่าตาบอดจูงตาบอดไปแล้วกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตใจมันหลงงมงายไหลไปตามกระแสของโลกนี้โดยส่วนเดียว เราต้องทวนกระแสจิตเข้ามาภายในอยู่บ่อยๆนี่ทางที่ถูกต้องนะการปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายเพ่งดูดวงจิตอันนี้อยู่เสมอเมื่อเมื่อเราทวนกระแสจิตเข้ามา ตั้งอยู่ภายในนี้แล้วมันก็เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทันทีเลยความไม่เที่ยงมันก็ปรากฏอยู่ในจิตใจนั่นแหละความเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากอย่างไรนี่จิตก็รู้อืมชัดๆเลยทีเดียวความเป็นอนัตตาของร่างกายอันนี้มันก็รู้ออย่างนี้แหละก็มเมื่อทวนกระแสจิตเข้ามามากรวดดูจิตตัวเองมันเห็น ความจริงของร่างกายอยู่อย่างนี้จิตนี้มันก็จะไม่หลงไม่เพลินไม่เมาไปเกินขอบเขตถึงแม้จะเพลินไปบ้างก็แบบมีสติสมปัติชนะอยู่ไม่หลวมตัวไปทั้งหมดธรรมดาผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายนะไอเราจะปฏิเสธสังคมเสียโดยประการทั้งง ก, ก็ไม่ได้ในเมื่อยังอยู่ในโลกอันนี้ มันก็มีสังคมกันนะแต่ผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายเพื่อนทั้งมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังสำรวมจิตใจตัวเองอยู่เสมอไม่มันลืมตัวจนว่าหลงไหลไปตามกระแสของโลกเขาว่าดีก็ดีไปตามเขาว่าร้ายก็าร้ายไปตามอันนั้นเรียกว่าหลวมตัวไปตั้งร้อยเปอร์เซ็นทบทวน พิจารณาเลือกเป็นอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้เลยอันนี้ท่านเรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทไม่รักษาจิตใจตัวเองปล่อยให้ใจตกไปในทางต่ำแล้วแคนี้คนเราจะไม่ให้มันเบียดเบียนกันอย่างไรแล้วทางคนต่างก็มีใจต่ำลงไป ไม่มีคุณธรรมอันสูงอยู่ในใจเช่นนั้นแหละเมื่อพังเถอกระทบกระทั่งกันเข้าจึงไม่ยอมให้เอาภัยต่อกันเลยทีนี้ทีแรกก็เป็นมิตรกันดีๆอยู่นี่อันพังเถอเอาไัยเอามาแล้วกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วกลายเป็นศัตรูกันไปนเลยเบียดเบียนกันนวงคออืาเป็นอย่างนั้นดังนั้นโลกนี้มันจึงวุ่นกันอยู่ ด้วยการเบียดเบียนกันเพราะต่างคนต่างก็ปล่อยจิตใจของตนให้ตกต่ำลงไปในทางอกุศลแต่อย่างนั้นไอ้ผู้ที่ไม่เบียดเบียนกันน่ยเพราะต่างคนต่างก็รักษาจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันสูงส่งคือเมตตากรุณาเขาพรธเจ้าทรงตรัสคาสิดไว้ว่าอาหิงสาปรมาธรรมมา ความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่งเมตตาปัถมพิตาโลกาโลกอันเมตตาหากคำจุนไว้โลกหมายเอาหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินอันนี้แหละไม่ได้หมายเอาแผ่นดินแผ่นนำ้ำนั้นไม่ได้หมายอย่างนั้น หมายเอามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ที่มนุษย์จะอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ก็เพราะต่างก็มีเมตตาปรารถนาให้ซึ่งกันและกันเป็นถุขไม่ปรารถนาความทุกข์ต่อกันและกันเลยอยู่ร่วมกันทําอย่างไรเราจะมีความสุขสม่ำเสมอไปได้ต่างคนต่างก็ทําต่างคนต่างข้อ แสดงออกซึ่งกิริยากายวาจาอันสุภาพเรียบร้อยต่อกันและกันเช่นนี้แล้วมันก็มีความสุขสบายใจอยู่ร่วมกันนื่ในพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโลกอันนี้นะ่ะอยู่ได้ด้วยอํานาจแห่งเมตตาธรร ม, มเมื่อว่าอยู่ได้โดยสันติสุขนี้นะต่างคนต่างเขามีเมตตากรุณาต่อกันและกัน เออเพื่อเกื้อคุณกันรู้จักให้อภัยต่อกันและกันไม่ผูกพยาบาทจองเวรกันถ้าทำใจได้อย่างนี้แล้วเราก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกันนั่นเองพระเจ้าอยู่ในตรัสว่าโลกโลกนิวาสหมายเอาหมู่มนุษย์อสัตว์ทั้งหลายเนี่ย จะอยู่เย็นเป็นถุกได้ก็เพราะอาศัยเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่างคนต่างมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วเราก็อยู่ร่วมกันไปได้ตลอดอาวสานแห่งชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่คุณควรคิดควรพิจารณาเพราะคนเรานั้นอยู่คนเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะ มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนตะไรมาแม้ในพุทธศาสนานี่แต่ครั้งพุทธการมาเอาเริ่มแรกแท้แท้ภาษาสะดาทรงตัดสรู้แล้วก็ไปแสดงธรรมแก่ภิกษุพจนวคีร์ทั้งห้าที่ฝ่าอิสิปตันตะเมลึกทายวันแขวงเมืองพาราณสีทรงจำมันษาอยู่ที่นั้น เธอออกพรรษาแล้วก็ได้สาวกหกสิบองค์นั่นนะพระองค์ก็แนะนำให้สาวกเหล่านั้นจาริกไปเผยแผ่าศาสนธรรมคำสอนของพระองค์ที่ท่านเหล่านั้นได้รู้แจ้งแล้วเพราะว่าท่านทั้งหกสิบนั้นล้วนแต่เป็นพระอระหรันต์ ต่อจากนั้นพระ อ, องค์สเสด็จไปอุลุเวลาประเทศพรรมาณเอาชลินสามพี่น้องกับบริวารพันหนึ่งให้สำเร็จมรรคผลอรหัตตผลแล้วก็พาสเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์พระเจ้าวิมิสารได้ทราบก่อทรงให้เจ้าหน้าที่ประกาศชาวเมืองราชคฤห์ให้พร้อมเพียงกันไปเฝ้าพระศาสดา พระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังคนสิบสองหมื่นสิบเอ็ดหมื่นก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนามรรมีของตนจิตใจนี่มันก็ค่อยหลุดจากขันธ์หน้านีไปทีละน้อยละน้อยไปไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเห็นลอยๆว่าขันธ์ห้าเป็นอ น, นิจจังทุกขังอ น, นัตตา เห็นเท่านี้แล้วว่าจะหลุดพ้นไปไม่ได้อันนั้นเป็นความเห็นต่างหากเป็นสัญญาความจำหมายต่างหากไม่ใช่เป็นความรู้ที่ว่าจิตลงวางขันห้าแล้วเพราะเนื่องจากมาเห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วลงวางไม่หวนไหวต่อสุขต่อทุกข์ ก็ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้จิตรวมลงไปหนึ่งลงไปเลยทุกขเวทนาลงไปอันนี้จึงเรียกว่ารู้แจ้งในไตรลาาักษณญาณนี่ต้องให้เข้าใจอันนี้จังทุกขังอนัตตาใ น, ในี่ใครก็รู้ทางนั้นเด็กน้อยก็รู้แต่ว่าจิตมันยังไม่เป็นไปตามอา น, นิจจังทุกขังอนัตตานั่นสิ นั่นแหละมันจะไ ป, ปล่อยวางอานิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรอะ่ะเมื่อรู้จริงๆมันต้องปรงต้องวางเมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงแนละ้วจะไปยึดถือไว้ทําไมเมื่อรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์อะอย่างนี้จะไปยึดถือมันทําไมนี่นะเมื่อรู้ว่าขันธ์ห้านี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แล้ว เชนี้นะจะไปยึดถือเอามันไว้ทําไมมันก็ต้องปรงต้องวางลงตามสภาพมันจึงถูกต้องตามความเป็นจริงจึงสมกับ ว, ว่าไม่ใช่ของเราจริงแล้วปัญญามันก็เห็นแจ้งว่าควรปรงควรวางไม่ใช่ว่าจะมายึดถือเอาไว้ถ้าคืนมายึดถือเอาไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆอ่อย่างนี้ เป็นทุกข์จริงๆนะจิตใจที่ยึดเถือขันห้าอันนี้นะพอเป็นตัวเราของเราจริงจังลงไปแล้วมันก็เป็นทุกข์เกิดร้อนเลย อ, อย่างนี้แหละเพราะนั้นไอ้ความรู้เท่านี้นะมันไม่ใช่ว่าเมื่อรู้เท่าทุกข์แล้วทุกข์จะดับไปเลยจะไม่ปรากฏในความรู้สึกในใจเลยอย่างนี้ ไม่ใช่อย่างนั้นนะธรามรู้เท่านี้ไม้เอาจิตที่ไม่ววนไหวรู้ทุกอยู่นะรู้ว่าร่างกายขันห้านี่เป็นทุกข์แล้วแต่จิตจะไม่ววนไหวไม่เสียใจไม่ดีใจไม่ท้อแท้ไปกับความทุกข์ความแปลปวนของขันห้านั้น ใจเข้มแข็งอดกั้นทนทานได้ไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันห้านั้นอ้ยอย่างนี้จึงเรียกว่ารู้เท่าขันห้าให้พากันเข้าใจดังนั้นเราชะวปตทำใจอนแออาศัยแต่ความจำอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแล้วเอามาบริกรรม อยู่เฉยๆพอสมควรแล้วเลิกลาไปเสียอย่างนี้ไม่แล้วไม่ไม่สามารถที่จะปรองกระวางขันหน้าได้แล้วมันก็จะต้องยึดถือขันหน้าอยู่อย่างนั้นแหละตายแล้วก็ต้องไปเกิดกับขันหน้าอีกอย่างนี้แหละถ้ามันได้ไปเกิดกับขันหน้าส่วนละเอียดก็ยังชั่วน้อย ถ้ามันเกิดกขาขันห้าส่วนหยาบมันก็เป็นทุกข์หลายตัวนี้อีกซ้ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามคามสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเห็นแก่ความเหนื่อยยากลาบากเพราะว่าการท่องเที่ยว ม, มาในสงสารนี่ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมก็อยู่ด้วยความทุกข์ยากลําบาก ไม่ใช่ผู้มันปฏิบัติธรรมแล้วจะอยู่สบายสบายไม่มีทางหรอกทันหามันจูงใจให้หาสเสวงหาอะไรต่ออะไรไม่หยุดไปยั้งเลยต้องทำการทำงานอยู่อย่างนั้นหามรุ่งหามคำ่ำแล้วผู้ไม่ภาวนาอ่า จิตใจมันก็ถูกกิเลสครอบงําให้มัวหมองเมื่อใจมัวหมองแล้วมันก็ถึงวรรคที่ทําบาปมันก็ทําบาปไปอไม่กลัวแล้วบาปใจมันมัวหมองนี่น้ก็ทําบาปไปถึงเวลาจิตใจใจบุญขึ้นมาก็ทาบุญไปแต่ถ้าผูใ้ใดกิเลสตัณหามันครอบงํา หนานแน่นจริงๆเนี่ยมันไม่คิดทางบุญแล้วมีแต่คิดหาทางร่ำรวยเงินทองเข้าของเท่านั้นแหละอืเบีนยงั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้อะไรก็ได้แต่เงินทองเข้าของเทนั้นแหละเมื่อตายแล้วก็ทิ้งอยู่ในโลกนี้เอาติดตัวไปสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ไม่มีเลยแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ยังทิ้งอยู่ในโลกอันนี้ ก็มีแต่กุศลอ ก, กุศลเท่านะั้นนำจิตไปเกิดในพบใหม่ในชาติใหม่ต่อไปอีกให้พิจารณาให้มันรู้เห็นอย่างนี้อย่างน้อยเราก็ภาวนาละบาปอ ก, กุศลให้มันได้ให้ใจตั้งมั่นอยู่ในกุศล